<C oughs> เห็นเทศบานต้องคือมากเครื่องผาทั้งโยมเอ่อื่องแ ม, ม่ข้าแม่ที่า ป, ประมาณคือคือจังหวงปูหมันมันหาอย่างนี้ลองท่นอัญชา น, นั่นถ้ากัดปันกันก็ได้กวกับครอาวนอะอือ ก็ขับันกันเาะขับพ่อแม่ขาวนาะรจาว่มีกับเบิ่งขจอดีด้ายมือือ่วนมดมาเป็นเน่ความส่วนมดเปลี่ยนไปเรับนิมนต์ในีกบเป่นผมแม่ขาวนี่พระบหายมึงกูไ่เห็นึงละ มฆขาวผู้ปัะทางพลเมี่สมัสพี่มันนองพลุ่มหลุมออกทุ่มทุ่มพี่นองน้าชากิงเงนเย็นเนี้ยฮันพระบอไทยสีไทยไทยของสันต์ว่าเรามาท่านโดนเนกะใครสุด้ายแล้วมือห้อง ช, ชีวิตชีวิตแต่ไม่อยู่สัวหนึ่งวินาท รัวเครืงมีหน้าที่หายใจเขาเราบออกกับมันห้าไปหายใจออกเราบกเขาขับมันห้าไปไม่ีา น, นาที่ยิเดี่ยที่เจียบตัวตายเด้สมอเลกงา้ท้นี่อนี <c oughs> ล่ลืมไปลืมไปลืมไปทาดอาหารไมากมาือว่ามาจากมุกวันนี้ มาจะงูง่ายยกขมือบอกขน้อยใชว่าเพราะันมาอ่นง่ายยกข้มือลนาะบ่เขบอกบเขาคงยเนาะพะพมันถึงหาเสียวหนึ่งปีนี่ไม่มัวนี่้าสิบหาลัวท่นึกะตกกระแมยาย เห็นหลายหบาดทาผ่าโมีมากไายสีรักษาไหวลานก็น้อยจิ๋นก็น้อยฮะลานก็น้อยเก็นมากเลามื้อมีเดี๋ยวมาโยน้ำเนี่ยน้ำด้วยจะได้แล้วกันด้อยได้ทีไปยุมันได้อีกมันรับปานนังห่นแย่เงี่ยปานม่อนยุดลงนั่นนั่นจิ๋มมากมากตจาอย่นี้แล้ว วัดน้อยได้ไปยังได๋ไปเบื่องบนวัดน้อยว่าท่านอาจารย์เฮียงคือบัท่านเต็มวัดวัดบ้านเราคือวดท่านเต็้ยมยัดิงติงในบ้านเนี่ยจักรเดจไบ้านนี่ยมัดก็คืออร่อยพระจัก หลานคนนี้่าจะทางานอยู่คาตาอยู่คาตาบ้านนี้นะฟังออกมาแลยเขาพูดไม่ไ ม, ม, มาหยามเาห่อโนโดยเฉาะวานน่าออกว่าไม่ออกว่าโอ้นั <c oughs> ่นสำคัญบรรยูนี่แหละ น้ำกรพอะแ่ใส้รับเพิ่นมาเฮ็ดน้ำนั่นจะของน้ำเพิ่นสองคนพี่น้องจของคนทั้อาเป็นสองคนพี่น้องอย่าจะของซาลา่สองคนพี่น้องสองพี่น้องมาเฮ็ดาลาต่อกันตาแฟนอีกอ่เอามาคนทังให้นนาานา่าลักบาดกับสองคนพี่น้องนี่ะสองพี่น้องเนกะถินปีหนึ่งมา เขามานั่งเต้นสลาที่นี่เจ้าของสลาไมาได้นั <Thank> <that> ่งนะพักกันไปนั่งก่อนหินเขาแย่งนั่งหมดเพิ่นกับบ้อมีเงืนมีค้ามยังท่อปนได้ดอกเพิ่นทั้มีซักท่าซื้อๆดอกเออมีซัท่าเราเปล่ามาเฮ็ดกินเฮ็ดท่าเลยซื้อยานมันตายถิมเว่ามันจริงเพิ่นกับว่าได้รุ้ยไร่ล่ำไร่ลุ้ยยังพ่อปนได้ดอก ลุ้ยแค่ัท่าล่ะสัท่าลุวยอยู่ลุ้ยซัท่าทำลร้ยปัญญาลุยซัดมันเลามันเลาะเออลุ้ยซัท่าเลือปัญญาหาหอกกระดูกยุ่งกับแม่น้องเพื่นนั่นแหละควายไตยุ่งเอนิกับน้องเพื่นนั่นแหะซัทาเก่งซัดท่าเก่ง ล้มพังคอมมีว่าสําคัญสาคัญนะศรัทธา้ําาปัญญสําคัญกับศรัทธากับปัญญามนุษย์เราเนี่ยศรัทธากับปัญญาเป็นทรับภายในศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อกลับละอายต่อบาปกลัวกลัวต่อบาปความเคยได้ยินได้ฟังมามากจํายำสมคำคิดนักวิทยามาก ยาคะความสะัะบริจาคทานในสมณาเชีพรพาตลอดถึงวิยาจบคนข อ, อปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อนิยาทรัพย์เจษประการนี้ดีกว่าทรัพย์าภายนอกมีเงินทองเป็นต้นคนแสวงหาให้มีในสันดาลพระบรมศาสดาสอนว้เอาไปด้วยจะไปไหนก็เอาไปด้วยไม่ได้หามไม่ได้หเหี้ยว เมื่อถึงวั น, น, ข, อนอของภายนอกของภายนอกเขากี้เขาป่นสับภ า, ายในก็ไม่มีใครขี้ใครป่นของภายในหัวใจเลยคนฉลาดยกไข้และเทน้าเสมอเสมอคนไม่ฉลาดก็ขับขังตุนน้าไว้เมื่อขังตุนน้าไว้ไม่เทไม่ทายน้าก็สะปก นทถีภ า, าอลานัธนาคนผ่านไม่ยินดีในทางพระบรมศาสดาออกจากป่าศีลก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาไม่ให้คนงงเงะคนสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วคนที่ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนา คือว่าบาปไม่มีบุญไม่มีมันก็มาเกิดจากโรวรวลกล้วะนรกนรกขุ่มืด <c oughs> มันออกจากนรกขุม น, นั้นมามาเกิด <c oughs> อะไนะบางทนีนะเอาเอาะไ ป, ป, นะประชกไปชกนะไปชกไปชกไปชกอายุโ น, ๆๆนทุกขังพลัง นี่เพระบ้านน้องผือพระบ้านน้องผือเนี่ยยบ้านน้องผือเนี่ยพระบ้านน้องผือเนี่ยเดมนอ๋อทนมา่่ขาจะไปกระโมอ่อน่อไปยบอกมื่นก่อ่คื่ นัวเลยเหรอโอ้โห ไปพร้อมก็พวงรไ้อมก็ได้กล้อมมันชิวี่วันนางโบราณได้ยิ่งแล้วพวกกัยงที่แยนเจ้าไปพวกขาที่แยกกันนี่าจะอไปแล้วมันิี่ันงโาณไงไปพร้อมกันลี่ครับนี่ร่างรวดว่างออมาเลยสองสาม แล้วพอเขาคนยะสูาว่าสิ่งเง่นบานเอาขอนักฮะเออนักงานไงนีเาวเครื่งอวะเฮ้ยนี่ยง่านาะหาั่ายไ ต้อสร้าได้ต้นมาล่ะถ้าไปพวกวกพวกเข้าไปนี่แะพวกเข้าไปมุกพวกเข้าไปมุกพวกเข้าไปมุกเนาะไปพวกเดยกัไปต้อนอมินก็หอสรว่านเออไปมุกไปรวมรวเออไปสุราก็เดินไปข่าวญาติเราหมืน ว่าเบวยั้องบ้าก็หบามร้อ้าวเ่้กลุลวาสงนี้ป็นตรงนีแล้วหามือนเมขึ้นสลนี่จ้าของสลเนจ้องก็พักเอาขึ้นพักสลาอหกโอมนเดียวเนี่ยเจ้าอะไรว่า นี่เป็นผู้กำนั่งดาบไงนี่นี่นี่จะต้องสงอาไปผู้กำนั่งดาบคนอื่นเขาก็มามาช่วยเฉยๆ่ยเป็นลูกมือพวกเอือนเป็นลูกมือพวกพวกนี้กำนั่งดาบแล้วสพี่น้องนี่ยกำนั่งดาบหมดแล้วนไงลุกกลักำหมดรัดเกไงพวกเราทั้งหลายก็เป็นบริวารท่านละท่านมาทีหลังเกล้ากท่านช่วยกำนั่งดาบ ทนมาที่หลังงูดอกเทวกวาด้วยกวา้วกวาด้วยดาบไปกินแล้วไม่มีอะไรที่จะรบกวนท่านหรอกเีนี่ท่านทำให้มากแล้วถ้าคนเราเสมอกันอย่างนี้ประเทศไทย สักร้อดคนมันก็เจริญประเทศไทยก็เจริญในพระพุทธศาสนา <c oughs> ม่ซมีน้ำช้ำทำในพระพุทธศาสนาเขาก็ยังมารูกออนภาษียอดหลังอยู่ ค้องใเห็นแก่ไดพ้พูดน้อยไม่พออธิบายพูดร้ายก็ระวังปากพูดน้อยม่พออธิบายพูดร้ายระวังปากสังคมมากระวังปากให้ดี เทอะไม่ไม่มาอีกพวกเราถ้าทานรักษาสินภาวนาะจะน้อยมากต่ําสูงก็ไม่มาอีกไม่ประสงค์จะมาอีกนโลกอเนี่ยพอให้คนอื่นมาพอให้พวกร่องเก้าแก้แๆ่เข้ามาเป็นมนุษย์แท็กซี่เราบ้างเราอย่ามาขวางอยู่มากโค ก, กระบืออะไรของเขารเราตาแหน่งที่จะเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเราอย่ามาขีดขวางเขาเราต้องเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปอีก อยาเลื่อนไปนรกแล็บก็แล้วกันพวกที่อยู่เมืองสวรรค์ก็เราขึ้นไปแล้วไล่เพราะนั่งขึ้นไปสูงอีกพวกที่อยู่ในพรหมโลกถ้าเราไปพรหมโลกก็ไล่เขาสู่วิพญานมันยัดเยียดกันมันมีที่ไปลาหลายแหนมนุษย์บ้างเทวดาบ้าง อินบ้าพรมบ้าสัตย์ประานบ้าเภทศุลกายบ้าถ้ า, าว่ามีแต่มนุษย์แห่งเดียวไม่มีที่อยู่ละนีม่มันแยกกันไปแล้วพระพุทธศาสนาแยกคนแยกคนไปตามกรรมของใครเข้ามาเพราะจะของทำเองสวรรค์ น, นรกนิพพานจะของสร้างเขาเองพระพุทธศาสนาเป็นผู้แนะนำเฉย ทางไปทางนี้เส้นถูกไปทางนี้เส้นผิดไปทางนี้เส้นถูกไปทางนี้เส้นผิดไปอย่างนั้นพิดขนาดนั้นไปอย่างนี้พิดขนาดนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยนำให้ไม่ใช่พระพุทธศาสนาเป็นเจ้าธรรมเป็นผู้แนะนํำธรรมเฉยๆไม่พระไม่ใช่พระบรมศาสดาเป็นเจ้าศีลเจ้าธรรมเป็นผู้จําแนกธรรมพระขวาวเป็นผู้จําแนกธรรมพระคะแปลว่าเจ้าแบล หรืออาเป็นผู้มีโชคในทางแกกแบงพัสวาแ ป, แปลผู้มีโชคก็แปลแปลว่าแกกแบงก็ก็แปลแจกศีล ส, สมาธิปัญญาออกแกกโลกีโลภุตละออกถ้าทําให้มีอยู่ก่อนพระบรมสาสดาก็ไม่มีประตูฉลุทำไมู่่ก่อนพระพุทธสัมมาทัมพุทธเจ้าจึงมีสามารถรู้ทำถ้าทําให้มีอยู่ก่อนก็ไม่สามารถจะรู้ได้เนฉะรชลจึงเคารพทำ เระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาเคารพทำอันเดียวกันไม่ได้คัดข้านธรรมะกันลงเอยกันหมดจะเป็นชัฏทธาธิกะวิทยาทิกะปัญญาทิกะก็าตามก็ลงเอยยันเดียวกันไม่ได้คัดค้านพระโกนาคมโนพระกัตถโปโคตโมพระริยมีตัยโยก็ดีหรือนับตั้งแต่เก้าสิบสองกลับมาก็ดี ยี่สิบแปดพระองค์มาคอดีแต่คนก่อนนั่นก็อักโคนเป็นธรรมอันเดียวกันหมดไม่ได้แย่งกันไม่ได้หมุนไปตามโลกมาเทพบ้งต้นก็มาเทพทำมาจากกประวัติศาสตสูตรสูตรที่ทำให้ดวงตาเห็นธรรม สูตรที่ทําให้ดวงตาเห็นธรรมก็คื อ, อยังกินชีสสมุทธยธรรมังสาพันตังในโรทธรมมันตินะครสิ่งไดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมีความดับสูญเป็นธรรมดาบาปจะดับสูญเพระดับเหตุเหตุจะไปทางบุญก็ต้องสร้างเหตุทางบุญเหตุจะไปทางบาปก็ต้องดับเหตุทางบาปเหตุจะมาให้ใหจะมาเกิดแก่เจ็บตายก็ดับเหตุซะดับอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่ วิชาของโง่้าลุตอนไหนก็เป็นวิชาตอนนั้นวิชาจาระสัมปันโนเป็นผู้พ่อแม่วิชาในจาณะจาณะชัห้าวิชาแปดก็ทั้งขีดคำะค่าแปดก็ยันลงมาเป็นสามจิสมาธิปัญญาสมาธิทิของปัจสดาบันสมาธิทิของพระจักขาคามีสมาธิของพระอนาคามี สมาธิทิฏฐิของพระละหันพระละหันเป็นมหาสมาธิิอันบริบูรณ์แล้วพระโสดาบันเป็นสมาธิิฐเบื้องต้นต่ำกว่านั้นลงมาไม่รับรองเพราะหลายบางทีบางทีก็มีมิจฉาทิฏฐิมาปนบ้างพระโสดาบันมีสมาธิเป็นเบื้องต้น พร ะ, ะเจาคาถาคำนีละเอียดไปก่อนนั้นพระนาคามำีละเอียดไปก่อนนั้นพระละหันเต็มบริบูรณ์สมาธิติและก็เรียนหน้าโมโจบอีกด้วยและก็เรียนพุทธทางศาสนาคัตสามีธรรมังสังขังบริบูรณ์ด้วยพระละหันเรียนจบแล้วทั้งเรียนดดยรู้ด้วยทั้งปฏิบัติยิ่งด้วยทั้งพน้นวิ่งด้วยทัศนานุตรยะความเห็นเยี่ยมในพระละหัน์ ปฏิปธานุตริยะความปฏิบัติก็เยี่ยมในพระละหันมีมุตตาริยะความพ้นก็เยี่ยมในพระละหันแล้วทัศนานุตริยะของพระสวัสดิบันปฏิปทานุตริยะของพระสวัสดิบาลมีมุตตาริยะของพระสวัาดันาุลดพ้นเป็นเอกเทศอ้างนโมใครก็อ้างนโมใครก็อ้างปัจจุบันเหมือนกันปัจจุบันพระสวัสดิบันปัจจุบันพระสักรามี วัจถุวันพระอนาคามีปัจจุบันพระละหัน์มันยิ่งย้อนต่อกันปัจจุบันของพระปฏิจิตวัจจุบันของพระสรมาธพุทธเจ้าเป็นชั้นที่หนึ่งเยี่ยมด้วยพุทโธของพระสด็จาบันพุทโธพระจักรทาคามีพุทโธ พ, พ, พระอนาคามีพุทโธพระละหันพระละหันเรียนพุทโธจบแล้วเป็นสาวะโกพุทโธ สาวิกาพุทธโธถ้าเป็นเพศหญิงถ้าเป็นเพศชายก็สาวกโกพุทธโธสาวกสีจำพวกสาวกสามจำพวกสาวิกาพุทธะสาวกโกพุทธะสองจำพวกพุทธาสีจำพวกสมาสพุทธะจำพวกหนึ่งพระเจับพุทธะจำพวกหนึ่ง อาหารตาชีนาศพเพศหญิงจำพวกหนึ่งเพศชายจำพวกหนึ่งเรียกว่าพุท ธ, ธสีลจำพวกพวกเราปรารสนาสาวกก็ไม่ได้สร้างภารมีมากรสชาติของความาทุกข์และเข้าสูส่คพา์เป็นอันเดียวกันไม่มีเก้าอี้ต่างกัน ชาติที่ไม่มาเกิดแก่เก็บตายแล้วให้ทา ง, งรักษาชิ้นภาวนาก็าต้องหวังเพื่อ น, นั่นสิ่งเดียวสิ่งอื่นไม่มีถ้าหวังเกิดก็วังแก่หวังก็บวังตายอยู่ในตัวหวังจากแขนดีอยู่ในโลกก็คือแขนดีนอนล้มถัดเพลิงพวกเรามาได้หวังอย่างนั้น หลวงพื่อพุ่นทุกในวัตาสงสารโดยด่วนปัจวันนัจิตปัจจุบันนั้นธรรมอะไรที่รุดพน้นมาครับก่อมือเรียเศษรูตามเป็นจริงในคณะนั้นปฏิบัติตามเป็นจริงในคณะนั้นรุดพ้นตามเป็นจริงในขณะนั่นวอารับนี้มือเดียวเรียกว่ากรับพืนปัญญานี่ถ้ามันชนะตอนไหนมันไม่สงสัยเลยมันไม่ขอบถืน มันก็ไม่สงสัยว่าโลกจะเป็นอื่นนอกจากทุกโลกข้างในก็เหมือนการตาหูจมูกนิ้วกายใจโลกภายนอกโูกเสียงเสียงรถป่มภูมิธรรมารมก็อันเดียวกันสังขารโลกโลกคือสังขารสารโลโลกคือมูลสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมื่อนู้โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวาโลกได้แก่ตารมาพระจ้าหกขั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้รวมลงมาในสังขารโลกซะจึ่มีแจกฟองได้ไม่มีแจกฟอง สังขารโลกก็สังขาราปรมาทุกขารสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งแล้วโลกเป็นทุกอย่างยิ่งก็ถูกสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งก็ถูกตัวแก่เก็บตายเป็นทุกอย่างยิ่งก็ถูกไปเอาละที่นี่เหนื่อยแล้วเฮ้เี้ยเนีคุณโยมออกอย่างนี้ไปไหน กับมุกครอกับมุกวันนี้มาทานีอันตันกีโวันนี้ไม่ไหวตั้งหกดยไม่ดีเคยนกรมอเอี่นนกดกับครั้งนี้ครับเยอะยอ รถเราอยู่นี่ไหมรถเราอยู่นี่รถนอที่ยังมาไปอยู่นี่ไหมเนี่ยตงรวอยู่นี่ไหมฮะไม่เปนไม่เปนไรไม่มีใครทราบไม่มีใครทราบด้วยังเงียบๆเนาะยัเขาขึ้นรถด้วยเนะขอขึ้นรถด้วยครับเขาขึ้นรถด้วยรับดวนมากวนมากดวนมากึ้งเลย มารอกครับทำไมรถกู้บ้านหรืป่าได้จากสภาหรอเมาไม่เลนเลจะพักวันไหนเลยพักวันที่สองจะกลับแล้วแล้วจะพักสี่วันจะไนได้มาจังปอนเก็บสนหลั ่าในก่ะเนนเนนเนนเนนคุณท้งพะมามาสะก้อนกเก็บเน้่นเนนทางานเนมนันมาเนสเมื่อเอเมื่อกาบเราเราก็ได้แล้วาาเราสนะคนครบนะอาจารันน้พาน้นนึงในข่าวทีนี้มานําหมองกันหมด อืมโหเห็นอย่างไรสิอยู่บนยูนาอบ้ดนี้นเอะพระพระว่างเลยพระพระพระพระวางเลยสิบนยูสลัดสิอยู่ไหนวะ หรืออยุสลาเขาเหลืออยู่พระพระเฮ า, า อ, อันสลาเต็มแล้วบอกเดี๋ยวนี่ยกข้าขงล่างสองอ ขาบ่ยบ๊วยนีข้างบนกับพันธุญาตอีกคือเกาเนี่ยข้นทะลกลวนย่างประซุ่มมากข้นมันคือทะลกวนบ่หนออะไรหนออันนี้พูดหน้าว่ามาห้อนี้แล้วก็บนมีะกอื่นอยาไรกัน้อเห็นคนเลก้โก้เมมีนเรื่องในวางะรหรือ่ เนอะลุงจะลุเขไปในบ้านได้อวุปาอะไรูดีหนาะงปม่เ so wow. okay. oh, exactly ู่เวางู่วางู่อู Unf ่วางไลยว่างเดียวนิทไมกวางต้องการล้วนน่ะ เขานี่ยหัเห็ดเองหน้ามือปลได้อะไรเดียวเนี่ยเทาเห็ดได้เทากันตึงลเนี่เขาเ็ดได้มันย่งเยอะลดได้หนมันเรนเจเรนาย่งไปสองเดือนแน่นอ่างไปเดือนย่งเดือนนึงเดือนนึงก็เนึ่งึเออ เดี๋ยวเดี๋ยวฮเนี่ยบวชั่วข้าวตัวฮะบวชสามเดือนบน้าเนี่ยเป็นยังไงท้าบเล่าบงบดีบะแล้วมันยนลมก็ไปตะเบอได้แล้วเนาะฮะ อันนั้นอันนี้แทนผู้โดยสามาพาพอะรมาคอี่มาละมาโโบสแ์ละเพิ่นว่าคนิลัลใจละวันน้เส้นล่าง ม, มีได้ละเพิ่งอยยุกได้ละเพิ่อันนี้ละว่าพรุ่งนี้จะมาบุแลวไปโคบนทันติก่อนไปันนก็ดใดละที่อยู่เพิ่นคุณ น, นี้ก็เลยพามา มาครอบเรือบอล้าที่บ้านเนี้าที่บ้านอยู่าวนี่มามาคอบเรืบอลคนอบอลมาตัวนี้เองบอลอะไรตัวเนาะนะฮะไม่ได้บอกไม่บอกอะตัวัน่บอกแล้วมาบอกแล้วหูมาบอกอะไรอกพอีกับมันมวยมวยยุ่นกัพอดีก็บมย่นยุ่นนี่ยจริงจรงหาซิบหลังนะกุฏิเดียน เว่าเขาปนเื่อนกีอคนนี้มันแล้วเขาบงบนนาคันว่ามันเป็นการใชกดุกับปูปูพ่ที่จหนาดะำบนนาดะวัสดุกับวัสดุกับตมาอยู่ไหมเหรอเนื้อบวชสามเดือนกับจากใดบัสังหารแกขันร้ายๆกับขุนอวี้มาได้กับกับรถด้วยก็สะดวกก็การคู่บวชสมเดือนคู่บวชสามเดือนกับจากใดบัตรที่บัตรให้มันสมควนเนี่ย มันบ่ได้ยุดโดนว่าอันนี้นยยอยังกัปฝันมันยุด่งได้เดียวนียอันนี้น้อยห้ามันกับหลายห้องมันกบน่อยเพิ่นมันทองตมันไปน้ำหายน้อยนม่าน่อยได้แมาได้มกเตียมอันนี้ไปได้มาก็วัดฟ้าไปน้าหายน้อยว่างสันวัดเพนนันลวัดเพิ่นที่ต้องพ่สองห่สามหอยมันก็บกระเตีมมันนันของวัดสางจะเอาว่เสี้นามปุ่น วัดพระลบนิวาดบุนวัดสมเด็จญาติสงว่าเนี่ยวัดเขาวัดปลาวัดคนตชีทุกขี่ยาแม่นมาหน่อยนึงมันก็เตียมสาไปหน่อยนึงมันก็ผัดแท้งสาน้ามให้หน่อยเนใชแส่ะเว้ยให้คืนบ้างกันท้อยปจักขัตถชีว่าล่ะว่าขันฟังท่านล่ะหาชีพหลักเนี่ย ห้าชิ้วกุ้ยเตี๋ยห้าสิ้สลสว ล, ล, ลั ง, อ, ง, นนะ อ, งะ อ, อะไรเดียเดียยทา่สข้้า้วรเดมันคลลับๆกมันสเป็นล้วงผูันนด้ะลวูกมาพัดคนตายเพเห็นเต็มเทื่อนด้ว่าอันบารมีลูกลานนงนเยน เต็มพูดนีก็ไปจ้างแอกว่าเห็นมาแต่เก้ามาหัน่เห็นเตรียมไม่เคยแหกพ่อแม่ตายหรอาน้องพือกับเจ้ากี้กับยี่สิบนเดียวนี้ว่พอว่าพอวันนทอแล้วงผู้ฝันกันคือกันว่าแล้วลงผู้ฝันเต็มทั้งคำขามเต็มถังวัดโพธิ์ีวัดอุลงสมพ่อเดียวนี้กับได้เต็มเล่บานี่ก็เดียวว่าลูกเต้าซุมนสีมี่บนวสนาแล้วก็เ้าหัวัลน ม่วรับล่องกันนี้ว่าก็น้อยกั่บุ้งนี่แหะเูกดจยอดไต่ได้านดีะก็เรีนยุคขอเาเรียนความเรียนความนั่นนี่นั้นแต่นดแ่งเพี่ยนจ้าไปค่อยมาจ้ามาค่อยไปยุ่งสน ตมันไ่้วกขยได้ลงพูดตามน่บอขยไหนไหะยังไ่ปบ้านไหนไปไปหาหลงพูาไปเลยฮะไปหาหลวงพูตามก็ไปท่เดมท่านเียรงบงไปท่มท่านได้จ่าเลยตอนนี๊กีพ่ไวดีเสร็จแล้วพูดไปหาแถวพูดตะก้อนี่แถพูดตะพ้อเต็มแล้วว่างสรจแล้วไอ ทำไมล่ะ้ไปพ่อพลกเขาอพวกเอาไปพวกนี่ไปไปบอกน้ำไปบอกแม่พระน้ำไปบอกใช่ไหมน้ำไปบอกให้เขา เฮ <laughs> ้าเขาบอกเพ่มมันง่วงค่ารถกพบคนเด้อยื่นเบายื่นบนบกเออไปไ ป, ไปทำเฉพาะงา น, น, งนไปส่วงบองจกักฎหมายไปอันกดผ้ากันให้ผ้าออยงเงี้ยวันนี้คือสมัยหลงมันหลงปู่มันว่าได้ผ้าได้เยอนี้ปันผ้าพื้นคนอ่ะ ไพ่เอาควดเจ้ก hmm. ี aki, like ่ว่นจะไได้ได้กี่มีแแบกนะมีแต่แบกอ่ะเดิเโดงเดินเทโดงกอนว่นจะไพ่ได้แบกเอาควดอ่ะเดี๋ยวนี่ไพ่เอาคือปืนกลไงแล้วพ่อหลวงพูเหตหลวงพูเหตดเพื่อนเพ่นเห็ดเพื่นเฮ็ดอันถ้าธทดงกรรมฐานเพื่นเห็ุใส่มาพกไว้เพ่นเห็ดังสี่ เพื่อนเพ่นย่านกร้านลืมตัวเห็นบอกนหน้าเพื่อลงกูติเดินเพื่อนงกรรมาหเพื่อนเห็นเพ่นเพ่นเ็นน้งสือเพื่นเห็นบอกเห็นบอกชมเบียรคเพื่อนเฮ็ดไว้เฮ็ดดึงยู่บานี่ปลักเท่งเนี่ยปลาักเท่งนะของเพื่นนี่้ามุงเฮ็ดเ่เรา่ย์เร่ย์ผือปืนกลน่ว่าน มันเป็นตามสมัยมันครับอาจารย์ก็เดี๋ยวกระแทกนะแท้กันอนี้บริเลอกรับถือผ้าได้กลบ้านอาจารย์มันผมไปทำที่เขาระแวกบ้านนี่ต้องถอดผมจะเป็นผู้ถืออย่างนี้หะเลยใช่ใชเกบนรใช่เกือบบอกแต่เกิบหนาที่รองเท้าพ่อนะเวลาเสีเขาระแวกบ้านนี่พ่นต้องคุมผ้าอีกแล้วก็แทกต้องถอด อืดบาทเานั้อย่างถือนี่เราพิ่งจะถือชมือบ่อะไรอ่ะมือบ่อะไครับพอแต่มันสั้นเพ่ดบ้านพระสมเด็จพระท่านสมัยนี้ตัวนั่นแหละผมพระจารวดพระจารวดพระดาบเที่ยงหน่อยแล้วพอไข่ห้อยไปทั่วต้องมือแ่ในมวนเกยแต่ฟังเลยแต่กีก่อน วาป้าที่ไหนป้าี่ไหนคอะอนเลอ๋ไปให้ อ, ออกไปเที่ยวเวกไ ป, ไปก้บับขึ้นมาถามพระวนาว่าอะไรควบมหโ ย, น, ยน้ำดีกว่าโูมันเมื่องคอยบ่ไปเฮตตะขอวัดล่อถามพระวนาว่าอะไรควบหายเห็นไหมให้เก็บให้ตัวขึ้นจตายเนี่ยโอ๊ย เขาซํานี่กูตัวบาดเยาก็ได้เพะนูว่าตัวหลักกับคนหลอกกูไปให้ขอวัดล่อเนี่กับไปดี เ, รเจรให้ฉันลักก็ดีใจ่านเนี่ยปฏิวัติสตัวนบีเจไปเน็กก็ซ้ำเลยกาว่อหน้าพ่เป็นไรขานี้เลยกขาอแล้วผู้มันมันเขาไปงานบอกงานแจกอาหารนี่กันงานแจกอาหารที่ไปนั่งเสาบาดจากของอยางเทีว่พนะไห้บ่ได้แล้วอตองลุก เบื้องพู้นเบองู่นี้อยผู่บาอาจารย์เรียบวุบ่นดจับอย่างหมาลงโปรงเปงกับอะไรในเฮี้ยนมดหน่อยใ่เยนเพลินนี่ ฟ, ฟ้าฟ้าตุ้ม น, น้ำนี่ฟ้าเนี่ยถ้าเปิดตอกออกลาตตองแค่ทางนี้ต้องใช้คนว่าลงเสิยงแต่บวยช้กันแต่บวยฮักกบุ้ลึกชีสี่บวยละให้รอด มันต้องออกคลอยว่างทุกทีก็ต้งเสียกันนะครับมัดไวดเตัวเขาว่าตัวแกงเกิเกือแบบธรรมชาติแทงถึงด้ดู <c oughs> <laughs> ปีที่หนึ่งปีที่สองเนี่ยด้แกงปีที่สามกับปีที่สีมามิดอ่อนซ่อนวันนี้ยังวางอืมหมยชื่อแรกจะต้องเอาบอกไยละ่ะไอ้ทีดีประเน็กก็ตามห้เลด สร้างเล็กเอามาหให้เล็กตีเอามาหให้สร้างตีให้สินไปนั่งเฝ้าเตาอยู่วสังผู้เขาทาเม็ดผากอบเมียอยู่สังเอาขอเาขเาเตาเขาเลือกตีแล้วสังอันนั้นเป็นเม็ดเป็นผ้ากับตีเป็นเม็ดเนผ้าแล้วว่าเป็นเม็ดเป็นผ้ากับไม่หงักเหมืนว่าหิมว่าเฝ้าเตาเล็กเพื่ออะไรสังใช่ไหมสร้างเล็กเน่ะนั่นเอเล็กสิไป็ผู้เปอยว่า นื้จะปตีขนนอยแห้งยนื้จะปฏีขนนอยต้มได้จะไปเอขนนอยเดือดอ ไ, ไรมัต็นเนยถ ว, ว่าผูกมัดไลยเลี้ยงก็ใส่เยมันขืนยกกับซางนะ่านพันว่าบอกมัแทงอ้งผู้วันท่นนพันหา้ารปูวันหา้านาทีเทานี้ฮะเป็นดีเรื่องของคนบ่ไปย่างานันนาทีอ่ะปวดตา น้าสาตัวเล่นเพื่อนนีะยพอวเ่ทียงนี่ยอายุเก๊ดสิบเก๊ปีโตปายุที่แรกแตัเลนเพื่อนเที่ยงเนี่ยหอ น, นตัลงมาเน่ะเพือนหลอนลงมาเพ่นหลอนลงมาทดระมัตัวน้าอันน่ะตัวเห็นว่าตัวน้ำของจงอ้องจ้งเนีตัวเป็นเล็ไปงาบมืออันนี้มูทั้งหลายเ็บบางเอี่ยมเบืงแถานี้เถวานีเป็นเล็บแถวขอนนี่ว่าสันมูอากออสันตเนาะอ๊อกออกสัญญาแล้วว่า อยค่อยดึงมือออกคนเชื่อคู่โยคนอะไรจะเอาดักพองเนี่ยคุจ๋าเนี่ยวะบ้นแอคค่นด้วยแล้วมาพี่จีพี่เตียนหลักแจพนโมเหตดผลบ่มาใส่พจนว่าสามเรื่องพ่นชื่อดอกเพิ่นว่าออกชื่อดอกเพิ่นขันขันเพ่นมเหตุผลใส่มา้นเพิ่นเมาบ่บ่เพินจอาไปเกี้นข่อยข้าท่าดึงออกปนะเขาโมเดิร์นเพลนสั้นเกียร์เทเฮาวเพลนสังนดีก้าเรบอเพิ่นว่าเพิ่นว่าหาแต่ฮาวดีข่อยดึงมากดึงมาดึงมากดึงมากว่างแล้วบาลนี้ ดึงดึงดงงวงงวเนี่ดึงสองงวโอ๊ยรอจตรงเรางนก้ันคอยดึงมากสิดึงมากสเพ่นเห็นเาดึงเข้าบเพื่นเห็นเทา๋ยวอีดีเพ่นว่างลว่างปั๊บเกนกระตรงแล้วเนี่ยอ๋อคนแรกก็สคขานนอินว่ได้กะลางถวยรงซ้มจินว่ได้กระล่างตีนตีเอาบัดยามต้งหน้ามาสีขานเพื่ติตายในแล้วก้อบัดก็ไกตุ่ก็สัว์าหอยัดแท่งเูมันเนี่ย มวัวมนนี้มันแท่งมันมันมยังสิกลางไปยังสิสีไปสีไปยังสีอะไรล่ะเนี่ยขั้นไหนสีไปเนี่ยง่ยเอามาตากโดนก็ได้มันเปาะป่าตากเอาไปหุบไว้แล้งานนิ่งสีไ่ได้อะไรนั่นเลยหยดฝอตากฝอเจ็บฝอเมียนฝเซ็ตสิ่งนี้มนีเนมดส่วนส่วนวนี่ะเยแกยนาขาซื้อพองค์เจ้าตัวมาสั่เขาเอามาให้กินท่า น, นไงไทกับ ลูกข <CS: S 1> ้าวขาซานามาบวชขึでで้นตัวมันเป็นเชเป็นลูกเสรษดียวสัตว์นว่านี่ทำท่าตัวเป็นเสรษดเสียดเยวไงอ่ะสัตเก็บให้มันดีบริการของสงฆขึ้นกาเน่ะมีทาจดเสียมกันดามมัดแตกเราเพื่อได้จะเก็บเนี่โอ้ยใช่ครับยุนเนี่ะไมกวมัไม่องไปไม่ก้ั้องไปไม่พูทจเกัตตัวนี้แล้วหงห้องก็เชี่ยเก็ดแล้วจารของพ่อคนนึง สั่งทั้งกผาเาาพื่อนใฟ่ผู้หนึ่งไปใส่ผู้อืน่นต้อนอะไรบู๊นเปหลายเลยใส่ผู้นั้นต่าไรผู้นั้นขันเก็บแผลว่เาเก็บขันปวยว่าปวยสั่ขงของน่าไให้กับเรื่อนใส่ผู้นึงคนไปใส่ต้อต้อนนานของห่วยมันมาถือสมาเพ่อนเพื่อนเราเป็นระวัตทุกวดเกษตรเราเพื่อนให้เราอยู่น้ำเพื่อนม้วนกับผ่อนเลี้ยงแล้ ว, วกก ป, ล ป, ปู๊บมัน ขันพลพั้นตายผู้ขาวขัหนีเลยป่านนี่ยุหันละเพื <c oughs> ่อนไป้ไขก้อนนั่นสิ <c oughs> ตัวก็เบื่ออย่างดอกตัวเบื่อแต้หลุมอะไล่ะหลุมอุจจระหลุมปูนตัวเป็นผู้เฮ็ดเ <c oughs> พื่นอาจารย์แวนผ้ามูมาคุดเอาดินไปเป็นของข้าของคูดนอ้ยก็พพดไปหร <c oughs> อ อัน้าพวกนี้ภูมโอฟ้านเงียังยังเป็นสั่นอยู่ยังถือของขายนอกกู